ข้อความในคุตการนิกายอุทานอุท ธ, ธาตสูตรข้อหน้า413าข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่สารวันอันเป็นที่เสด็จประาพาสของมาลกษัตย์ทั้งหลายใกล้กรุงกุศินราแสดงว่าสถานที่ตรงนี้พระผู้มีพระภาคเคยเสด็จไปแม้ก่อนปรินิพานแสดงว่าแวะเวียนไปหลายครั้งมาก ก็สมัยนั้นแลภิกษุกมากด้วยกันเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านเยอ่อหยิ่งกลับกรอกปากกล้าวาจาพล่อยมีสติหลงลืมไม่สำนึกตัวมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดไม่สำรวมอินทรีย์อยู่ในกุฏิที่เขาสร้างไว้ในปา่าในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แสดงว่าไปอยู่แล้วไม่ไม่เจริญกรรมฐานอะไรเลย ปล่อยตามอัธยาศัยที่เคยมีกิเลสอัธยาศัยเก่าเช่นใดก็ปล่อยกายปล่อยใจไปเช่นนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เห็นภิกษุเหล่านั้นผู้มีจิตฟุ้งซ่านเย่อหยิ่งกลับกรอกปากกล้าวาจาพล่อยมีสติหลงลืมไม่สำเนตตัวมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดไม่สำรวมอินทรีย์อยู่ในกุฏิที่เขาสร้างไว้ในป่าในที่ไม่ไกล ลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงแปลงอุทานนี้ในเวลานั้นว่าภิกษุมีกายไม่รักษาแล้วเป็นมิจฉาทิฐิและถูกถีนามิทธะครอบงมแล้วย่อมไปสู่อำนาจแห่งมารเพราะเหตุนั้นภิกษุพึงเป็นผู้รักษาจิตมีความดำริชอบเป็นโคจรมุ่งสัมมาทิฐิเป็นเบื้องหน้ารู้ความเกิดและความเสื่อมไป แล้วครอบงำทีนามิทะเพึ่อักทุคติทั้งหมดได้ข้อความในอัตกถากล่าวถึงภิกษุที่อยู่ในอุทยานแห่งกรุงกุศินาราเนี่ยนะที่มีอยู่ทางทิศทักษิณและทิศปัจิมภิกษุเหล่านั้นเว้นการพิจรารณาคือไม่มีการเจริญกรรมฐานมีความเพียรย่อหย่อนมีปกติอยู่ด้วยความประมาท ก, ก็ไม่มุ่งจะบำเพ็ญสมณะธรรมอะไรเลย ก็อยู่ไปวันวันหนึง่งใช้ชีวิตเพียงลมหายใจเข้าออกไม่มุ่งอธิสีนอธิจิตและอธิปัญญาภิกษุเหล่านั้นผู้เชื่อว่าอุทธะเพราะมีจิตไม่สงบเหตุที่มากไปด้วยอุทธะอุทธะกับอุทธจะนกลุ่มเดียวกันก็อุทธะนี่กำเริบฟุ้งไปเรื่อยไม่มีความหนักแน่นไม่มีความมั่นคงอะไรมานะชื่อว่านละเพราะเป็นเหมือนไม้อ้อโดยเป็นของเปล่า จิตก็ฟุง้งซ่านเยออหยิ่งเป็นเหมือนไม้อ้อใช่ไหมไม้อ้อก็ oh, ชูสูงขึ้นช่ยๆโดยที่ปราศจากแก่นสารเรียกว่าได้แต่ลำพองไปงั้นเองจริงๆน่าจะเหมือนเอือ้องนะแต่ว่าเอืงมันตัวเตี้ยไปกี้ก็เหมือนไม้อ้อก็คือโชว์สูงมีมาณะสำคัญว่าสูงส่งเหลือเกินเชื่อว่าจับประละเพราะประกอบหรือมากไปด้วยความกัดแกงมีการประดับบาดและจีวรเป็นต้น ตกแต่งบาทตกแต่งจีวรระบมบาทแ ล, air, แล้วก็ระบมเสร็จสีไม่สวยเอาไประบบใหม่อย่างไงระบมอยู่นั่นแหละก็มีการประดับประดาตกแต่งจีวร น, นี่ก็ตัดเย็บย้อมย้อมเย็บตัดอยู่นั่นแหละโยมบางทีถ้าอยู่อย่างนี้อาจา น, นึกไม่ออกอนะแต่ถ้าอยู่ในกลุ่มพระบางกลุ่มเนี่ยเป็นอย่างนี้จริง ๆ, ๆก็ไม่รู้ตกแต่งบาทกับจีวรเ น, นี่ยนะแต่งได้ทั้งวันจริงๆถามว่าแต่งบาททํำยังไงก็มัวแต่ทําสลกบาทอยูนย่นั่นแหละเดี๋ยวก็ ถักสลกบาทเนี่ยนะถักไปได้ครึ่งหนึ่งหรือเอาใหม่แล้วก็ถักอีกถักรื้อรื อ, รอถักอย่นงนั้นแหละกว่าจะถูกใจเนี่ยนะเชื่อว่ามุขระเพราะมีปากกล้าเพราะเหตุที่มีวาจาหยาบคําพูดก็พูดแต่คําหยาบ ก, ก็บางกลุ่มเนี่ยพูดหยาบพูดที่เรียกว่าไม่น่าเชื่อว่าเป็นกลุ่มพระพิสุสนทนากันนะครับปิดไฟมืดๆเนี่ยไอ้พระหรือคารวะาคุยกันแม่น่นะคุ ย, ยกันนักเลงสุรางั้นนะ่ะวาจาหยาบคาย ชื่อว่าวิกินณาวาจาเพราะมีวาจาพลอยคือเหล้ยวไหลเหตุที่มากไปด้วยเดราชานกถาไม่ได้คุยพระธรรมคำสอนอะไรเลยคุยไปเรื่อยแล้วแต่จะนึกได้นะชื่อว่ามุททสติเพราะมีสติหลงลืมอธิบายว่าเว้นจากสติคืออยู่ด้วยความประมาทคำว่าไม่มีสติหมายถึงว่าจิตเป็นอกุศลล้ว น, วนความที่จิตเป็นอกุศลนั่นแหละเรียกว่าไม่มีสติ เชื่อว่าอาศัมปัญชนะเพราะไม่มีสัมปชัญญะโดยประการทั้งปวงสาธากะสัมปชัญญาก็ไม่มีสปายะสัมปชัญญะก็ไม่มีโคจรั ส, ปปสัมปชัญญ ะ, ะ, ญญะและอาศัมโมหะสัมปชัญญะก็ไม่เกิดเลยเชื่อว่าอาสมาหิตะเพราะมีจิตไม่ตั้งมั่นโดยไม่มีความตั้งมั่นแห่งจิตตลอดเวลามีการพูดคุยเป็นประมาณไม่ได้มุ่งความสงบภายในเลยมุ่งแต่ การพูดมุ่งแต่การคุยคุยพูดอยู่นั่นแหละชื่อว่าวิพังตะจิตตะเพราะมีส่วนเปรียบด้วยมรึกตื่นตูมเหตุมีความโลเลเป็นสภาวะเหมือนกระต่ายตื่นตูมในะลักษณะนั้นะนะมรึกก็คือพวกเนื้อพวกกระต่ายตื่นตูมพวกมีนิสัยคล้ายๆแบบนั้นแต่มรึกก็หมายถึงพวกกวางพวกละมั่งที่กิ่งไม้ตกมาหนึ่งก็ตื่นวิ่งกัน แต่นี้หมายถึงว่าจิตใจนี่กัดแกงตื่นเต้นตื่นตูแบบนั้นแหละเชื่อว่าปากตินทรีเพราะเป็นผู้ไม่สำรวมอินทรีโดยไม่สำรวมอินทรีมีใจเป็นที่6ก็สรุปว่าปล่อยกายปล่อยใจไปกับบาปไปกับอกุศลเต็มที่ยามที่อยู่ในปา่านีพระองค์ก็โดยร่างกายก็อยู่ไม่ไกลอยู่แล้วใช่ไหมและพระองค์ก็มีสัพพัญยุตยานบทว่าเอตมถังวิทิตวาความว่า ทรงทราบว่าภาิกษุเหล่านั้นอยู่ด้วยความประมาทด้วยอำนาจอุทธจักเป็นต้นพระองค์ก็เปล่งอุทามนี้ประกาศโทษและอนิสงส์ตา ม, ล, มลําดับหมายว่าประกาศโทษแห่งการอยู่ด้วยความประมาทแสดงอนิสงส์แห่งการอยู่ด้วยความไม่ประมาทประกาศโทษและประกาศอนิสงส์ว่าถ้าอยู่ด้วยความประมาทนั้นมีโทษอย่างไรอยู่ด้วยความประมาทก็คือภิกษุผู้มีกายไม่รักษาแล้วเป็นมิจฉาทิฐิ ถูกทีนามิท้าครอบงำแล้วย่อมไปสู่อำนาจแห่งมารอันนี้เรียกว่าผู้มีปกติอยู่ด้วยความประมาทถ้าคำว่ามีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทละ่ะก็คือภิกษุพึงเป็นผู้รักษาจิตมีความดำริชอบเป็นโคจรมุ่งสำ ม, มาทิฏฐิเป็นเบื้องหน้ารู้ความเกิดและความเสื่อมไปแล้วครอบงมทีนัมิท้าพึงละทุกขติทั้งหมดอันนี้หมายถึงอั น, นิสงของ ผู้ไม่ประมาท ถ, ถ้าอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็ละอบายได้โดยประการทั้งปวงอธิบายคําว่าผู้อยู่ด้วยความประมาทผู้อยู่ด้วยความประมาทก็คือผู้มีกายไม่รักษาแล้วอารักขิเตนะแปลว่าไม่คุ้มครองเพราะไม่มีสติเป็นเครื่องอารักขาไม่รักษากายอันนี้หมายถึงกายไหนกายวิญญาณหกกายนี่แปลว่าหมู่หมู่แห่งวิญญาณหกที่เป็นไปทวารตาหูจมูกลิ้นกายและ มโนทวารก็เพราะเห็นรูปด้วยจักสู่วิญญาณแล้วไม่ใช้สติรักษาทวารแห่งวิญญาณโดยให้อภิชาเป็นต้นเกิดด้วยการถือนิมิตและอนุพยัญชนะในรูปนั้นหมายคาะว่าถ้าดูรูปที่สวยก็เพลินด้วยโลภะถ้าดูรูปที่ไม่สวยก็ไม่พอใจด้วยโทสะฟังเสียงที่เพราะก็เพลินไปด้วยโลภะฟังเสียงที่ไม่ดีก็โกรธ ด, ด้วยโทสะเป็นต้น ผู้ที่ปล่อยให้ความโลภความโกรธเกิดขึ้นในทวารทั้ง6ลักษณะนี้เรียกว่าผู้ไม่คุ้มครองกายวิญญาณในทวารหสราว่าปล่อยให้ทุกทวารเป็นอกุศลหมดเลยพระองค์ตรัสว่าอรักขิเตนะกายีนะหมายถึงความที่พิสุไม่รักษาวิญญาณกาย6ด้วยอาการอย่างนี้แต่ในนี้อาจารย์หลายท่านก็ไม่เอาบทว่ามิชชาทิฐิหาเตนะได้แก่ถูกความถือผิดว่า สัสตะคือเที่ยงเป็นต้นปทุสารายแล้วใจนี่ก็ไม่รักษาหมายความว่าทุกทวารที่เห็นปล่อยให้ความโลภเกิดป ล, ล่อยให้ความโกรธเกิดในทุกทวารทั้งหทวารขณะเดียวกันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิต่างหากใช่ไหมปล่อยใจให้เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นมิจฉาทิฐิถือว่าเที่ยงถือว่าขาดศูนย์ ทีนมิธาพิภูเตนะถูกถีนะมิทน ะ, ทะ ม, ทมีความที่จิตไม่ควรแก่การงานเป็นลักษณะจิตไม่ควรแก่การงานเลยเนาะถีนะเนี่ยจิตไม่ควรแก่การงานมิทาเจตสิกไม่ควรแก่การงานสรุปทั้งจิตและเจตสิกไม่ควรแก่การงานฟังทำไม่รู้เรื่องเลยนะไม่ได้ยินเลยอย่างเงี้ยง่วงมากยามใบใๆนี่ถูกตรงตัวหลายตัวเลยนะทําไมเนาะอาหารมันอร่อยเนาะ อากาศก็กําลังดีนะส ป, ปายะหลายอย่างใช่ไหมเพราะว่าเวลานอนเนี่ยอากาศมันคล้ายๆแบบนี้พอดีอ่ะนะมันก็เลยถูกทีนะจิตไม่ควรแก่การงานมิทธะเจตสิกไม่ควรแก่การงานก็เลยมันรี่ลงรี่ลงรีล ง, ล, งลวงเหมือนคนมีสมาธิทีนะมิทธาเนี่ยมันลวงเหมือนมีสมาธิอยากจะสงบสงบนิ่งนิ่งสักหน่อยเขาบอก ง, งั้ น, นเหมือนใช่เลยเนาะ บทว่าวาสังมารสะคัชตชะิความว่าเข้าถึงอำนาจคือเหตุที่ถูกมารทั้งหมดมีกิเลสมารเป็นต้นทาตามปรารถนาอธิบายว่าไม่ล่วงวิสัยของมารเหล่านั้นไปได้กิเลสกามเป็นต้นก็ประทุษร้ายโลภะโทสะโมหะเป็นต้นประทุษร้ายจริงอยู่ด้วยพระคถ า, านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงวัตต โดยหนทางโดยมุก ค, คือทางคือติเตียนภิกษุเหล่านั้นผู้อยู่ด้วยความประมาทว่าภิกษุเหล่าใดไม่รักษาจิตโดยประการทั้งปวงไม่รักษาจิตก็เพราะไม่มีสติเป็นเครื่องอารักขายึดถือการสแสวงหาผิดสแสวงหาด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิว่าเที่ยงเป็นต้นเพราะอะโยนิโสผุดขึ้นเพราะไม่มีปัญญาอันเป็นเหตุแห่งโยนิโสมนัิการ อโยนิสมนสิการเนี่ยนะเป็นเหตุให้เกิดมิจฉาทิฐิมิจฉาทิฐิก็เป็นอุปนิสัยที่สําคัญให้เกิดอโยนิโสมนสิการซึ่งโยนิโสมนสิการนั้นมีอะไรปัญญานี่เป็นเหตุให้โยนิโสมนสิการแล้วก็โยนิโสมนสิการเป็นเหตุใกล้ของปัญญาปัญญาและโยนิโสมนสิการเนี่ยควบคู่กันไปส่วนภิกษุผู้ไม่รักษาจิตปล่อยให้มิจฉาทิฐิกําเริบจิตก็เป็นไปกับสตทิฐิและ อุดเฉททิฏฐิเกี่ยวกับเรื่องทิฏฐิเนี่ยนะสูตรข้างหน้าจะมีเพราะเหตุนั้นแหละภิกษุเหล่านั้นจึงชื่อว่าถูกโกศะครอบงำโกศะก็คือถีนามิธานะเพราะอะไรเพราะไม่มีวิริยรำพะในการบำเพ็ญกุศลไม่มีความคิดริเริ่มอะไรที่จะเจริญกุศลเลยนะนั่งซึมๆไปหมดวันๆหนึ่งจากเงยศรีรษะขึ้นจากวัตตะไม่ได้ก็นั่งอยู่ช้ชํแบบ ที่หลายๆคนกําลังนั่งอยู่ตอนนี้เนี่ยคิดว่าจะออกจากวัดตาได้ไหมอยู่ว่านั่งไปเรื่อยดูนาฬิกาเดินไปติ๊กติ๊ติ๊กนะโอ้เมื่อไหร่จะพ้นอยากทุกข์หน่ะเนียไม่พ้นอยู่แล้วเนาะก็เฝ้าปกติของคนที่อยู่ในวาาัดตะเหมือนกับว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่อะไรนั่งอยู่เฉยๆก็เหมือนกับว่าอีกไม่นานจะบรรลุแล้วขวากันพวกนี้ทั้งๆที่ไม่ได้หลุดพ้นอะไรแต่สําคัญเหมือนว่าตัวเองนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้ว ซึ่งการใช้ชีวิตอยู่ในลักษณะนั้นน้อยคนนักที่จะเห็นโทษเหมือนกับว่านาวนั่งดูน้าไหลไหลไปเรื่อยใช่หมเหมือนกับดูลมพัดใบไม้แล้วก็ดูไปเรื่อยตอนนั้นเราคิดไหมว่ามันมีความเสียหายอะไรขึ้นบ้างไม่ค่อยมีความรู้สึกว่าเสียหายรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับว่าวัตตะเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายเหมือนไม่ติดข้องไม่ผัวพันแต่ที่ไหนได้นั่นแหละ ข้อปฏิบัติที่ทําให้จมอยู่ในวัฏฏะต่อไปพระองค์จะแสดงวิวัฏฏะคือพระนิพพานว่าเพราะเหตุนั้นเพราะเหตุที่ผู้ไม่รักษากายเป็นมิจฉาทิฏฐิีน้มิทาครอบงำก็ไปสู่อํานาจมากิกเลสมานทําให้เกิดอภิสังขารมานอภิสังขารมานก็ทําให้เกิดในวัฏฏะเนี่ยไหลไปในวัฏฏะไม่มีจบสิน้นเพราะเหตุนั้นก็คือเพราะรู้อย่างนี้แล้วะภิกษุพึงเป็นผู้รักษาจิต มีความดำริชอบเป็นโคจรเป็นต้นตสมารักขิตจิตตะสะความว่าก็เพราะเหตุที่ภิกษุผู้ไม่รักษาจิตถูกมารทำเอาตามความประสงค์จึงอยู่ในสงสารคือไหลไปสืบเนื่องตามขันอายตนะ่าเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยภิกษุพึงเป็นผู้รักษาจิตรักษาคือปิดกั้นอินทรีย์ทั้งหลายมีมินทรีย์คือใจเป็นที่หด้วยสติสังวร ต้องมีสตินะให้มีสติว่าอย่างไงตกลองให้มีสติว่าอย่างไงก็สติอย่างน้อยถ้าบอกว่ารู้คติแห่งธรรมทั้งปวงใช่หมคือแยกแยะออกเลยว่าสตินี้ถ้าไม่เกิดขึ้นเนี่ยก็อยู่ซฉมเฉมแบบปกปติะนะแต่ถ้ามีสติเกิดขึ้นแยกแยะออกเลยว่าที่เราอยู่อย่างเงี้ยเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเบื้องต้นเลยนะถ้ามีสตินี่ที่ทำอยู่เนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศล กุศลให้ผลเป็นส mm. ุขหรือเป็นทุกข์อกุศลให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุแห่งสุขอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์อยู่อย่างนี้แล้วอ่ะต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นถ้าปล่อยกายปล่อยใจในลักษณะนี้บ่อยๆอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามจะมีผลอะไรต่อไปในอนาคตเพราะลักษณะของสติคือรู้คติแห่งธรรมทั้งหลายรู้เลยว่าไปอย่างไรมาอย่างไรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล แล้วก็ระลึกต่อไปว่าอะไรเป็นสติปัฏฐานอยู่อย่างนี้เป็นสติปัฏฐานไหมเป็นสัมมปัฏฐานเป็นอิธิบาตเป็นอินทรีย์เป็นภะละเป็นโพชฌงไหมเป็นฐานศีลภาวนาเป็นการเจริญกุศลธรรมเหล่าใดอยู่หรือเปล่าก็มีการจําแนกแยกแยะได้หมดเลยลักษณะนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้มีสติเพราะเมื่อเธอรักษาจิตได้แล้วเป็นอันชื่อว่ารักษาอินทรีย์มีจักขุนศีเป็นต้น ได้ด้วยแลถ้าหากว่าให้ใจเป็นไปกับกุศลก็เชื่อว่ารักษาตาด้วยนะถ้าให้จิตเป็นไปกับกุศลก็ชื่อว่ารักษาตารักษาหูรักษาจมูกรักษาลิ้นรักษากายและรักษาใจคือรักษาทุกทวารถ้าหากว่ากุศ ล, ลจิตเกิดขึ้นทีนี้กุศลเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต้องเป็นไปกับทานศีลและภาวนานี้ทายังไงให้ใจเป็นไปกับทา น, นกุศล วิธีถามอย่างหนึ่งเนี่ยนะว่าจิตตอนนั้นนี่เป็นกุศลหรืออกุศลเช่นตอนที่เรานั่งเฉยๆซึมๆง่วงๆเนี่ยนะเป็นทานไหมไม่เป็นเป็นศีลไหมไม่เป็นเป็นสมถะไหมไม่เป็นเป็นเมตตาไหมไม่เป็นเป็นพรหมหารสักข้อไหมไม่เป็นพิจารณาขันธะอริยตนะอยู่หรือเปล่าไม่เป็นเพราะใครจะเสื่อมเท่านั้นอีกแล้วเนาะเสื่อมจนไม่เหลืออะไรเลยมีคําสอนอยู่ในใจบ้างไหมไม่มีเลยอย่างเงี้ยนะน่าสงสารเนาะ ก็เลยปลายให้ทุกทวารเนี่ยน ะ, ะใช้บุญเปลืองมากเลยนะถ้าคิดไปแล้วเนี่ยน ะ, ะใช้ผลของบุญเปลืองมากบทว่าสัมมาสังกัปปะโคจโรโคจโรตัวนั้นแปลว่าโคจรนะโคจรตรงนี้นิยมแปลว่าอารมณ์ที่จริงรักษาศัพท์ไว้ตามเดิมดีที่สุดเพราะเหตุที่ภิกษุมีมิจฉาสังกัปปะเป็นโคจรหมายคือว่าท่องเที่ยวไปด้วยอํานาจมิจฉาสังกัปปะจึงตรึกโดยไม่แยบคาย พออาโยนิโสโดยไม่แยบขายก็เลยยึดถือมิจฉาทัศนะ์มิจฉาทิฏฐิต่างๆมีจิตอันมิจฉาทิฏฐิขจัดแล้วถูกมารทําเอาตามความปรารถนาก็อโยนิโสมนัิการเกิดขึ้นมิจฉาทิฏฐิก็ถือว่าเที่ยงงามสุขยั่งยืนและอัตตาโลภโทสะโมหะก็ครอบงําย่ายีจิตกายกรรมวจิจกรรมมโนกรรมเป็นไปกับบาปแล้ว อกุศลก็ไหลไปในวะะัฏฏะไม่มีจบไม่มีสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อทํากรรมโดยโยนิโสมนสิการถ้าจะทํากรรมโดยโยนิโสมนสิการใช่ตรงนี้ให้ทำเลยนะให้ทํากรรมเลยนะทํากรรมในที่นี้ทําอะไรทํากุศลกรรมกรรมในที่นี้คือกรรมที่เป็นไปกับสมถะและวิปัสสนาทํากุศลกรรมเหล่านี้ด้วยโยนิโสมนสิการ เพึงเป็นผู้มีความดําริชอบคือมีสัมมาสังกัปปะมีเนคข ม, มะสังกัปปะเป็นต้นเป็นโคโจรคือให้จิตนี้เป็นไปกับเนคข ม, มะสังกัปปะเป็นไปกับอภพยาปาทาสังกัปปะเป็นไปกับอวิหิงสาสังกัปปะให้ใจเป็นไปกับกายานุปัสนาสติปทานเป็นต้นเพึงกระทําความดําริชอบอันสัมปยุต ด, ด้วยฌานเป็นต้นเท่านั้น ให้เป็นฐานที่ไปแห่งจิตของตนหมายคือว่าพิจารณาหรือตรึกไปด้วยอํานาจอสุภกรรมฐานจนได้ปฐมฌานเป็นต้นตรึกไปด้วยอํานาจอัพยาบาทจนเข้าเมตตาฌานตรึกด้วยอวิเหงสาคือกรุณาจนเข้ากรุณาฌานพรา ะ, ะนั้นก็ตรึกด้วยอํานาจกุศลสังกปะจนเป็นฌานเป็นไปกับฌานมีความดําริตชอบเป็นโคจร โคจรคือท่องเที่ยวไปด้วยกุศลสังกัปะนั่นเองสูตรก่อนพระเมขยิยะท่องเที่ยวไปด้วยอะไรนะอากุศลสังกัปะใช่ไหมส่วนนี้ก็พระองค์บอกว่าให้ท่องเที่ยวไปด้วยกุศลสังกัปปะไปด้วยเนคขมมะสังกัปะอัพยาปาท่าสังกัปะและอวิหิงสาสังกัปะสัมมาทิฏฐิปุเร ข, ขาโรความว่า ภิกษุผู้กำจัดมิจฉาทัศนะคือมิจฉาทิฐิด้วยความเป็นผู้มีสัมมาสังกปะเป็นโคจรพึงมุ่งกระทำสัมมาทิฐิอันมีความดีที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตนเป็นเบื้องหน้าเป็นลักษณะหมายคาอว่าถ้าสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นสัมมาทิฏฐิมีกี่ระดับหนึ่งกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิสองฌานสัมมาทิฐิสวิปัสนาสัมมาทิฐิสมรรคสัมมาทิฏฐิห ผลสั ม, มาธิฏิ6ปัจเจเวคขณะสั ม, มาธิฏิทําไมตอนแรกบอก5ตอนหลังนับไปตั้ง6กกระบอกหรืออีกในหนึ่งเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนะก็คือเบื้องต้นที่สุดถ้ามีสั ม, มาธิฏิเป็นเบื้องหน้าหรือมุ่งสมมาธิฏิเป็นเบื้องหน้าก็มุ่งไปเลยว่าสัตว์ทั้งหมดมีกรรมเป็นของของตนและต่อจากนั้นมียะถาภูตยานเป็นลักษณะ จึงขวนขวายประกอบในศีลสมาธิโดยนัยะดังกล่าวแล้วในการกรเริ่มวิปัสนาพิจารณาสังขารรู้ความเกิดและความดับแห่งสังขารกำหนดความเกิดและความดับในอุปาทานขันห้าด้วยอาการห้สิท่วนบรรลุอุทยพ ย, ายาัญาณต่อจากนั้นจึงบำเพ็ญวิปัสนาด้วยอำนาจพังคานุปัสนาญาณเป็นต้น ยึดเอาอาริยมรรคได้โดยลำดับชื่อว่าเป็นภิกษุผู้ครอบงมถีนามิทะและทุกคติทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรคแลด้วยอาการอย่างนี้เธอชื่อว่าเป็นภิกษุผู้ขี่นาศบทำลายกิเลสโดยประการทั้งปวงเพราะละกิเลสอันมรรคเบื้องต่าพึงฆ่าได้ก่อนเพราะตัดถีณามิ t ะอันเกิดในจิตตุบาทที่เกิดพร้อมด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิวิปยุ ด้วยอรหัตมักที่ตนบรรลุจากนั้นจึงละกิเลสมีมานะเป็นต้นอันรวมอยู่ในฐานเดียวกันกับโลภะนั้นเพราะตัดขาดมูลแห่งพบได้เด็ดขาดจึงชื่อว่าละขาดคติทั้งปวงกล่าวคือทุกขติเพราะประกอบด้วยทุกสามประการคือทุกขทุวิปริณามทุกสังขาระทุกอธิบายว่าพึงตั้งอยู่ในส่วนอื่นของคติเหล่านั้นเพราะพระนิพพานนี้ไม่ใช่คติห้า นิพานนิพนธ์จากคติห้าคือปกติถ้าเป็นอกุศลสังกัปปะอกุศลสังกัปปะนี่มันก็คิดถึงคนอื่นเหมือนกันอกุศลสังกัปปะคิดถึงคนอื่นด้วยอำนาจความความชอบเรียกว่ากาลมาสังกัปะนึกถึงด้วยอำนาจความโกรธก็เป็นธยาบาทสังกัปะถ้านึกด้วยอำนาจว่าจะต้องไปหาเรื่องซะหน่อยจะต้องสร้างความเดือดร้อนให้เขาให้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นวิหิงสาสังกัปปะ คือเวลาเราจะนึกถึงใครโดยมากนะถ้าไม่เป็นทานศีลภาวนามันจะมีอยู่แค่สามตัวนี่แหละอั น, นึกว่าเอองามดีนะเขาก็ดูดีนะเขาคิดไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็เป็นกามสังกัปปะคิดไปคิดมาโกโรธซะเลยไม่ชอบเลยนะนึกไปนึกโกโรธขึ้นมานั่นก็เป็นพยาบาทสังกปะเพราะว่านึกถึงความผิดความไม่ดีของเขาใช่ไหมคิดไปคิดมาเรื่อยมันต้องแก้ไขแล้วนะเนี่ยเนี่ยจะต้องต่อว่าซะหน่อยไปทําอย่างนั้นได้ยังไงอันนี้ก็เป็น มีเหงสาสังกปะก็ครุ่นคิดอยู่แบบเนี้เสร็จแล้วคิดไปคิดมาเนี่ยเพราะพื้นเพเลยก็คิดว่าสิ่งนั้นอัฐิยั ง, ส, งนน ส, สิ่งนั้นเนี่ยสุขสิ่งนั้นเนี่ยยั่งยืนด้วยอํานาจมิจฉาทิฐิคนที่ตรึกมากๆตรึกถึงสิ่งใดก็จะพูดถึงสิ่งนั้นก็เป็นมิจฉาวาจาก็ทํากรรมด้วยอํานาจมิจฉาวาจาเป็นต้นกรรมก็ไหลไปสู่พบทั้งหลายตรงกันข้ามถ้านึกถึงอารมณ์ทั้งหลายด้วยเนคขมะสังกปะ คือนึกถึงคนคนใดคนหนึ่งก็ตามนึกปับ๊บนึกเลยอะไรเกิดขึ้นนึกถึงศีลก่อนใช่ไหมเมื่อเช้าได้พูดบ้างแล้วใช่ไหมว่านึกถึงศีลก่อนก็คือนึกถึงว่าเขาคือสิ่งมีชีวิตนะนั่นศีลของเรานอกเหนือจากชีวิตของเขาก็เป็นข้าวของเครื่องใช้เป็นต้นใช่ไหมแก้วแวน้นเงินทองอันนั้นก็เป็นศีลข้อแว้นจากแว้นจากอทินนาธานถ้าลักษณะเพศตรงข้ามเป็นต้นก็เว้นจากกามเมสุมิจฉาจานถ้ามุ่งอุโบสถก็เป็น เน้นไปที่ประพฤติพรหมจรรย์ถ้าจะพูดถึงเจตนาที่เป็นเหตุพูดถึงก็เป็นเจตนาที่เว้นจากมุสาวาตเว้นจากปิสุนาวาจาเจตนาที่เว้นจากสัมผัสตลาปะเว้นจากพฤสวาจาคำหยาบก็ระลึกถึงศีลของเราไปก่อนมันึกถึงใครก็นึกถึงศีลอยู่ด้วยอารมณ์เนี่ยจะเป็นผู้ใดก็ช่างเถอะนึกถึงศีลของเราก่อนเลย พราะสิ่งใดที่เป็นอกุศลโดยมากแนวโน้มไปเพื่อจะทุศีลคือระลึกไปแล้วเนี่ยมันจะชี้นาไปเลยว่าปกติถ้าเป็นอกุศลเนี่ยจะน้อมไปเพื่อเพ้อเจอ้อน้อมไปเพื่อพุสวาราสัมผัปลาปะอย่างใดอย่างหนึ่งไปจนได้ทีนี้ถ้าเราน้อมวัตถุนั้นอารมณ์นั้นบุคคล น, นั้นระลึกถึงศีลของเราก่อนที่เรารักษาที่เราคิดว่าเป็นอริยสัพย์พอระลึกไปอีกระลึกถึงศีลอันนี้ก็เป็นเนคขมมะสังกปะอย่างหนึ่งนะ ระลึกด้วยสีนี้เป็นเนคขมมะสังกัปปะหรือระลึกถึงว่าถ้าเอาแบบลึกซึ้งไปก็ น, นั้นในแง่ของอสุภะก็ระลึกถึงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตามกายานุปัสนาเป็นต้นก็เป็นเนคขมมะสังกัปปะแต่ถ้าระลึกถึงว่าเออเขาเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะสิ่งที่มีชีวิตทุกสัตว์ก็ปรารถนาความสุขสัตว์ทุกตัวก็เป็นผู้ที่ปรารถนาความสุขกันทั้งนั้นแหละก็เจริญเมตตาไปอันนั้นก็เป็น อพยาปาทสังกปะคือตรึกระลึกไปด้วยอำนาจของเมตตาปราถนาให้สัตว์นั้นมีความสุขถ้าระลึกว่าเขานที่เกิดมาในวัฏฏะก็มีความทุกข์ใช่ไหมทุกทางกายทุกทางใจเรียกว่าทุกข์กับทุกข์ถึงจะมีความสุขความสุขเหล่านั้นก็ไม่ยั่งยืนก็เป็นวิปริณามทุกข์สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงก็เป็นสังขารทุกข์เขาก็เป็นไปกับทุกข์ผู้ที่ถูกความทุกข์ครอบงำ ชีวิตของสัตว์ที่เกิดมาแล้วเนี่ยก็ชารานําไปไม่ยั่งยืนพญาที่ครอบงําเดี๋ยวมรณะก็ห้ามหันตายตายเพื่ออะไรเพื่อเกิดแต่ว่ากว่าจะตายเนี่ยนะโศกปริเทวะทุกขโทมานัตอุปาญาก็ท่วมทับชีวิตที่กว่าจะเกิดไปถึงตายเนี่ยก็ประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักเดี๋ยวก็พราดพลากจากของรักปรารถนาสิ่งใดก็ไร้ความหวังก็เป็นความทุกข์ท่านสรุปแล้วชีวิตที่เกิดมาล้วนแต่มี ความทุก ข, กนะขกก์ขอให้พ้นทุกข์นะขอให้พ้นจากทุกข์ทางกายขอให้พ้นทุกข์ทางใจขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญก็คิดด้วยอานาจการุณาหรือคิดด้วยอานาจมุทิตาไปอันนั้นก็เป็นอัพยาปาทสังกปะอวิหิงสาสังกปะทีถ้าพิจารณาเอวจริงๆแล้วเขาก็คือผู้ที่มาด้วยกรรมของตนนะเราเองก็มาด้วยกรรมเป็นของเราใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผล มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเขาจะทำกรรมอะไรไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปเขาก็เป็นทายาตรับผลของกรรมเหล่านั้นสิ่งที่เราคิดก็เป็นกรรมไหมเป็นความคิดอันนั้นก็เป็นกรรมไหยเราก็จะรับผลของกรรมเหล่านี้นี่แหละตามสมควรแก่มโนกรรมของเราสิ่งที่เราพูดก็ตามสมควรแก่วจีกรรมของเรา สิ่งที่เราทําก็ตามสมควรแก่กายกรรมของเราเขาก็เหมือนกันตามสมควรแก่มโนกรรมตามสมควรแก่วจีกรรมและตามสมควรแก่กายกรรมเพราะกรรมบางอย่างชวนะดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ก็พิจารณาไปเรื่อยๆใช่ไหมเมื่อพิจารณาเห็นกรรมและผลของกรรมก็จะพิจารณาเห็นจุติและปฏิสนธิถ้าจุติปฏิสนธิกรรมเหล่านี้ก็จะให้ผลปฏิสนธิกรรมที่ให้ปฏิสนธิเรียกว่าชนะกรรม ชนกอพ่อนะกรรมที่นําเกิดพอเกิดมาแล้วก็มีกรรมที่อุปธรรมดูแลปกปักรักษาไปเรื่อยก็เป็นอุปธรมภกกรรมอุปธรรมภักกรรมก็เหมือนกับมีพี่เลี้ยงคอยบํารุงคอยดูแลรักษาขณะเดียวกันก็มีศัตรูมีพวกคอยประทุสร้ายที่เรียกว่าอุปปีและกกรรมคอยซ้อมหน้าซ้อมหลังตบตีอยู่เรื่อยเนาะอันนั้นก็เป็นพวกอุปปีและกกรรมมีพวกเพชฌฆาตถือดาบตามประหารก็เป็นอุปคาตกรรม กรรมบางอย่างก็เป็นกรรมหนักที่ให้ผลกรรมบางอย่างเป็นกรรมที่ทำบ่อยให้ผลกรรมบางอย่างก็เป็นกรรมที่ทำใกล้ตายให้ผลเมื่อมีกรรมเป็นของของตนเนี่ยถึงผลของกรรมในภพใดกรรมเวลาให้ผลก็ที่สุดของผลกรรมก็คือชราและมรณะเพราะฉะนั้นจะบผลบุญก็ชราและมรณะจะกล่าวปรยัยถึงผลบาปเมื่อชีวิตทุกชีวิตเป็นไปกับชรามรณะชรามรณะมีอะไรเป็นปัจจัย มีชาติเป็นปัจจัยชาติมีอะไรเป็นปัจจัยก็มีกรรมพบเป็นปัจจัยพบมีอะไรเป็นปัจจัยทำไมกรรมจึงให้ผลก็เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยอุปาทานทำไมจึงยึดถือละ่ะก็เพราะตัณหาความเพลิดเพลินทำไมจึงเพลิดเพลินเวทนาเพราะไม่ทำปริญญาในเวทนาที่ไม่ทำปริญญาในเวทนาเพราะไม่พิจารณาภาษะ เพราะที่พิจารณาภาษะไม่ได้เพราะไม่พิจารณารูปทั้งหลายไม่พิจารณาตาไม่พิจารณาสีไม่พิจารณาหูไม่พิจารณาเสียงสรุปว่าไม่พิจารณาภูตรูปและอุปาทายรูปเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณเป็นที่ตั้งแห่งภาษะและเวทนาเมื่อไม่รู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเหล่านี้ไม่กําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้เหล่านี้ไม่ตัดฉันทราคะในสิ่งที่ควรตัดฉันทราคะเหล่านี้ก็เลย เป็นเหตุให้เกิดความเพลิดเพลินความเพลิดเพลินก็เลยยึดถือยึดถือก็ทำกรรมกรรมก็นําเกิดผลของความเกิดก็คือความแก่และความตายทุกภพชาติก็เป็นเช่นนี้แลสรุปเราก็ชีวิตที่เพลิดเพลินไปด้วยความแก่และความตายใช่ไหมวัตถุเป็นที่เพลิดเพลินก็สิ่งที่เพลิดเพลินถึงสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่มีความแก่และความตายผู้ที่เพลิดเพลินก็เพลินรอความแก่และความตาย เพื่อจะได้เกิดอีกนะสิ่งที่เพลิดเพลินก็เพลิดเพลินในสิ่งที่แก่ตายใช่ไหมเพลิดเพลินรอความแก่และความตายน่าดีตรงไหนหวังอยู่จนตายใช่ไหมกันนึกขำอะไรนะไปที่ที่หนึ่งเขามีชื่ออะไรนะภูเขาแต่ละลูกนี่บางทีนะฟังคํา ำ, ำทางภาคอีสานหรือภาคเหนือมันจะคล้ายๆกันบางแห่งเรียกว่าดอยนางคอยอะไรเงี้ยนะคอยจนตายอะไรประเภทเนี้ยบอกโอ้ยอะไรขนาดนั้นเนี่ยนะคอยจนตาย เพราะไอสิ่งที่ถูกคอยก็ตายใช่ไหมคนคอยก็ตายก็เลยตายกันทั้งคู่รอคอยความตายนะที่จริงว่าให้ถูกจริงๆทุกคนคอยความตายใช่ไหมก็เหมือนว่าคอยคนโน่นคอยคนนี้ที่จริงตัวเองอะ่ะคอยความตายอยู่เรียกว่าดอยนางคอยดอยนางเศร้าดอยอะไรสารพัดอะไรนะบ้านชายเครืองก็มีไปรอแล้วไม่มาสักทีก็เลยเครื่องนะกันเลยตั้งชื่อบ้านชายเครืองอนี้มีหมดนะคือสรุปว่ามีแต่เนี่ยจบด้วยชราและมรณะทั้งคู่ไม่มีเหลือสักคน เมื่อสังขารเป็นอย่างนี้แล้วเหตุให้เกิดสังขารมีอะไรบ้างสังขารเนี่ยนับ1ก็ได้ใช่ไหมคือสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสังขาร น, นับสองก็คือนามกับรูปสังขารทั้งหลายถ้านับ3ก็เพราะเหตุแห่งเวทนาสาสังขาร น, นับสี่ก็ดำรงอยู่ด้วยอาหาร4 ส, สังขาร น, นับหก็คืออุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้ารูปขันเกิดโดยอาการหาดับโดยอาการหาเวทนาก็เกิดโดยอาการ5ดับโดยอาการหา ก็พิจารณาอุปาทานขันห้าโดยอาการ50หมายคําว่าเกิดโดยอาการ25ดับโดยอาการ25ก็ตามเห็นแต่ความพังคาเนี่ยพูดแบบภาษาไทยก็ดูแต่ความพังอ่ะนะดูแต่ความผูความพังตั้งแต่รวมตัวกันเสร็จที่เหลือมีแต่ความผูกพังอย่างเดียวถ้าประกอบเป็นสังขารสําเร็จนะเหลือแต่ความเสียหายมีแต่ชํารุดซุดโซมไปเรื่อยๆในที่สุดเนี่ยจะเหลือครบไหมเนาะของเราเนี่ยจะเหลือกันพออบกันลักเท่าไหร่นะ บาทีตายเขาก็รีเอาไปทิ้งเลยเขาไปเก็บไว้หรอกเอาไปไลอยน้ําเหรอบางคนบอกเอาไปลอยน้ำทั้งหมดเรื่องเปลืองบางคนบอกเอาไปโน่นน่ะไปถมไม้ค่ายทอนต้นไม้เนี่ยเพื่อมันจะเป็นปุ๋ยอะไรบ้างก็ <c oughs> สรุปว่ามีแต่ความผุมมีแต่ความพังเพราะสังขารทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้แต่สิ่งที่มีความผุพังทําไมเยื่อใยมันแรงขนาดนั้นเนาะมันเป็นที่ตั้งแห่งความเยื่อใยเป็นที่ตั้งแห่งความอาไยอาวรณ์ เขาไม่รู้หรอกว่าไอ้ตัวอาวรตัวนั้นเป็นตัวนำเกิดในพบใหม่ตัวที่เป็นเหตุแห่งชาติชราและมรณนะอาวอนหนึ่งทีก็คือสร้างชาติหนึ่งครั้งอาวอนสองทีก็สร้างชาติสองครั้งเกิดมาอาวอนกี่ครั้งก็ต้องถามว่าขนาดไหนที่มันสังสางบ้างมีไหมยง้นะหายากนะก็มีแต่ความอาวอนนั่นแหละคาว่าอาวอนนี่หมายว่าอาวอนในสังขารทั้งภายในและภายนอก สรุปนะทีอ่อาวรนภายนอกก็เพราะมันอาวรนภายใน น, ะนะนะั่นแหละเชื่อเถอะถ้ามันไฟไหม้บนศีรษะดับไฟหัวไข่ก่อนหัวราก่อนเนี่ยนะที่เราเหมือนว่าห่วงคนอื่นนักแล่ก็ห่วงตัวเองนะนะั่นแหละเอาไว้ให้คนอื่นมาช่วยบำเรอตัวเองคำว่าบำเรอก็คืออะไรก็ได้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นมีการพูดคุยมีการช่วยเหลือกเกื้อกูลกันอะไรกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็นั่นแหละก็ <c oughs> <c oughs> ติดพันอยู่นั่นแหละไอ้ความติดพันตัวนั้นแหละเรียกว่าสมุทยสัจจะคือเหตุแห่ง ความทุกข์ความทุกข์เนี่ยจะตัดได้อย่างไรตัดต้นเหตุให้เกิดทุกข์ได้อย่างไรก็ต้องรู้ว่าถ้ารู้ว่าสิ่งที่เราเพลิดเพลินเป็นความทุกข์จริงจะเพลินไหมจะชอบไหมจะต้องการไหมที่เรายังเพลิดเพลินอยู่เพราะเราไม่ไม่รู้จักทุกข์ของสิ่งนั้นจริงๆเหมือนกับว่าเห็นอาหารที่ดูเหมือนอร่อยมากแต่ถ้าเรามองเห็นว่าอาหารเนี่ยมันประกอบด้วยยาพิษชนิดร้ายแรงมากเราจะชอบไหม ถ้ารู้จริงเนี่ยมไม่ชอบถึงจะเห็นสีจะงดงามขนาดไหนก็ช่างยังไงก็ไม่ชอบเพราะเรารู้ไกลถึงพิษภัยถ้าหากว่าผู้ใดรู้ว่าฉันทราคะนำไปสู่พบนำไปสู่ชาติชราเมรณะในที่สุดนำไปสู่การประหารจะเอาไหมก็ไม่เอาแต่ว่าสายตาเราทั้งหลายเนี่ยสั้นเกินไปที่จะเห็นพิษภัยทั้งหมดเห็นทุกภัยทั้งหมดที่จะมีต่อไปในอนาคต ก็เลยติดข้องพัวพันอะไรอาวรเยื่อใ ย, ยอยู่นั่นแหละถามว่าเอาแล้วทายังไงตัดใจไปเลยง่ายไหล่ะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าให้เห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นทุกข์ถ้าเห็นทุกข์จริงๆก็จะตัดฉันทราคะได้เห็นความทุกข์ทั้งมวลที่เกิดจากวัตถุเหล่านั้นเห็นความทุกข์ทั้งมวลที่เกิดจากฉันทราคะเหล่านั้น ถ้าเห็นความทุกข์ทั้งตัวฉันทราคะด้วยสิ่งที่เป็นอารมณ์ของฉันทราคะด้วยจิตก็น้อมไปเพื่อจะออกจากฉันทราคะเหล่านั้นออกจากฉันทราคะด้วยอะไรด้วยอริยมรรคหลีกจากสังขารเหล่านั้นด้วยการน้อมไปหาอสังขต ธ, ธรรมก็น้อมไปเพราะการที่จะออกอย่างนั้นได้จริงก็ต้องพอกพูนอริยมรรคให้สมบูรณ์บรรทุกอารมณ์ สรุว่าทุกอารมณ์ข้อปฏิบัติแนวทางก็คือทุกอารมณ์ต้องเจริญสิกขาให้ได้ถ้าทุกอารมณ์เจริญสิกขาไม่ได้บอกเบื่อเหลือเกินเบื่อเหลือเกินเบื่อหรือไม่สมหวังกันแนะ่คิดให้ดีนะว่าเบื่อหรือไม่สมหวังไม่สมหวังก็เลยบอกเหมือนรู้สึกเบื่อเต็มทีแล้วเพอมันไม่สมหวังสักทีเมื่อไหร่จะสมหวังถ้าอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าไอ้เบื่ออย่างนี้นะวัฏตะยาวไม่มีจบมีสิน้นแต่ถ้าหากว่าเห็นพิษภยัยรู้พิษภัย เข้าใจความเป็นไปอย่างตลอดสายหลีกออกจากตันหาด้วยอริยมรรคหลีกออกจากสังขารด้วยแทงตลอดพระนิพานพนันต้องเจริญอริยมรรคทำพระนิพพานให้แจ้งนั่นแหละจึงจะสำเร็จถ้าหากว่าอริยมรรคก็ไม่เกิดนิพพานก็ทำให้แจ้งไม่ได้ก็เบื่อเหมือนกับว่าโอ้ยเบื่อเหลือเกินเบื่อเบื่ออะไร ก็โทสะดีๆนี่แหละนั่นอ่ะทุกขสัตว์ในไที่บนๆนั่นแหละทุกขสัตว์ล้วนๆเลยนะจะมีอะไรไม่ได้เว็นปัญญาอะไรรอกมันใครอย่ามายุ่งกับฉันนะเดี๋ยวฉันโกรธก็กลายเป็นอย่างเงี้ยเจริญแต่โทสะใช่ไหมถ้าเจริญให้มากแล้วทําให้มากแล้วจะไปไหนห้ามตายตอนนั้นเนี่ยยังก็ห้ามได้นะถ้าตายตอนนั้นก็เกิดเป็นอะไรดีเนาะก็ว่างๆของมาว่าถ้ามีเวลานั่งพิจารณาสัตว์เดรัจฉานดูทําไมมันวิจิตพิสดารนักเกินวันก่อนที่กุติ ไอตัวคล้ายๆผีเสื้อนะแต่ว่ามันไม่ได้น่ารักมันกลุ่มผีเสื้อมีหลายพันมากมันมีพันที่คนชอบดูที่ว่าฟาร์มผีเสื้อไปดูแต่ทีนี้ไอตัวชนิดหนึ่งโอ้ยตัวในวิจิตรพิสดารมากดําปีเลยแหละดําแบบมีลายๆเนี่ยนะเที่ยวว่าเห็นแล้ววิ่งหนีเลยเด็กๆอ่ะเด็กๆบางคนเห็นแล้ววิ่งหนีเลยกลุ่มผีเสื้อเนี่ยนะถามว่าผีเสื้อเหล่านั้นมาจากไหนก็มาจากตัวหนอน คือถ้าหากว่าในป่าถ้าใครขุดไปมีพวกนอนพวกอะไรพวกนอนเหล่านั้นจะมาเป็นผีเสือ้อตัวบุ้งที่มันคันๆ น, นั่นแหละคือผีเสื้อที่งดงามที่คนชอบไปดูนั่นแหละก็พวกปูวบุ้งพวกตัวนอนตัวอะไรนี่แหละมาเป็นผีเสือ้อนะเหมือนชาติเดียวนี่เป็นนอนก่อนนะเป็นนอนกระดึบ๊บกระดึบ๊บกระดึบ๊บมีขนคันนะ่ยนะแล้วก็ไปเป็นผีเสือ้องามบินชอบผีเสือ้อ ถ้าไม่มีคนชอบดูผีเสื้อจริงๆเนี่ยนะฟาร์มผีเสื้อไม่ได้กินรคเนี่ยนะอดตายไปหมดแล้วแต่ก็เจริญรุ่งเรืองดีแสดงว่าสัตว์ก็ไปเพลิดเพลินในความงดงามของสีสันของผีเสื้อตีไม่จุติจุติตอนนั้นก็เป็นยงเคยเห็นไหมผีเสื้อเนี่ยมันเหมือนเยอะเท่ากองทัพเลยนะมันบินเนี่ยโอ้โหเยอะจริงๆเลยเ อ, อมาเคยเห็นเนี่ยนะมันบินมากเยอะมากเป็นกกองทัพเหมือนกับอะไรนะขบวนเข้าไปประท้วงนั้นนะนะเยอะอย่างนั้นนะบินว่อนไปหมดเลย ถ้าอากุศลมันให้ผลแล้วก็ไปเกิดเป็นผีเสื้อตายจากผีเสื้อจะไปไหนเนอะก็โดยมากจากอบายสู่อบายจากอบายสู่อบายนั่นแหละน้นดวงที่สองถึงดวงที่6จะมาฉุดออกจากอบายมาเกิดเป็นมนุษย์พอมาเกิดเป็นมนุษย์อัธยาศัยเดรัจฉานมาเต็มตัวไปหมดบุญเก่ามาชักให้เกิดเป็นมนุษย์แต่อัธยาศัยมันอัธยาศัยของเดรัจฉาน มันนึกในใจว่าแล้วจะไปพูดอริยศาสตร์ให้ฟังว่ายังไงนาะคันนี้พระพุทธเจ้ามาก็ไม่เลื่อมใสสวยบุญเก่าอย่างเดียวทําอะไรได้คันนี้เนาะกว่าจะรู้ตัวอีกครั้งหนึ่งมันรู้บ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าตัวเองไปยังไงเธอมาจากไหนก็ไม่ทราบเธอจะไปไหนก็ไม่ทราบเธอไม่ทราบหรือก็ไม่ทราบสรุปว่าเต็มด้วยความไม่ทราบไปหมดเลยนะรู้อย่างเดียวว่าจะเอาจะเอาจะ เ, จะเรู้ว่าไม่พอใจก็เต็มไปด้วยความโลภความโกรธและความลุ่มหลงเต็มทีน่าสงสารเนาะ ใช่คนนั้นก็คือเราวัตตาที่อยู่มาจนนหนึ่งทุกวันก็อยู่ลักษณะนี้แล้วเนี่ยนะใช่ใครที่ไหน